ขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ได้พูดมาถึงเรื่องของอุเบกขาสัมพุทชงเป็นพระองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้จะจะรู้ธรรมคือเอบกขาสัมพุทชงคำว่าอุเบกขานั้นเป็นภาษาที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอ เพอยู่ในชุดของพรหมิหารทั้งสี่ประการแต่ว่าในหลักกรรมการปฏิบัติท่านได้จําแนกแสดงไว้ถึงสิบนัยยะด้วยกันแต่ว่าข้อแต่ละข้อนั้นรวนแล้วแต่เป็นอาการของปัญญาเป็นเครื่องรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่ตนสัมผัสในขณะนั้นๆประการแรกเป็นการรับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางสัมปัสสัมผัส ท่านเรียกว่าฉลังคู่เบคาแปล ว, ว่าอุเบคาที่ประกอบไปองค์หกึ่งหมายความว่าเวลาตาเห็นรูปูฟังเสียงจมูกตรงกลิ่นลิ้นริมลิ้นรดกายทูกต้องย็นด่อน่อนแข็งและใจเหนียวนึกตึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายนั้นต้องวางเฉยเป็นกลางไม่ให้เกิดยินดียินได้ในอารมณ์เหล่านั้น แต่ตามปกติแล้วเวลากระทบอารมณ์จิตเราก็ต้องปรุงคิดคิดปรุงไปดันดีบ้างดันไม่ดีบ้างตามสมควรแ ก, ก่กรณีของอารมณ์หล่านั้นฟอุเบกขาในที่นี้ท่านมองไปในแนวที่จะถ้าหากว่าปรุงคิดคิดปรุงแล้วมันจะเกิดกิเลสก็ไม่นาเรื่องเหล่านั้นมาปรุงคิดคิดปรุง อาการปรุงคิดคิดปรุงที่เรียกว่าเกิดกิเลสนั้นก็เกิดกิเลสสายโลภะเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาเราต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นใ้สิ่งนั้นๆพิษรงค์ใช้คำว่าความยินดีความยินดีความพอใจความพอใจความต้องการความปรารถนาตลอดถึงความอยากตัณหาอะไรแต่อไรต่งางๆ พ, พูดง่ายๆว่าเป็นกิเลสประเภทควา้าขมาหานั่นเองเราต้องการเดจ้าเข้าจะพองครอบครอ ง, อรอ ง, อรองสิ่งเหล่านั้นความโลภที่เผาลนลนใจนั้นเหมือนกับเราตกเป็นหนี้เป็นศินบุคคลอื่นจะต้องไปชดใช้ก็ อ, อยู่รำไปดังนั้นทรงสอนในสมรวมระวังอย่าให้เกิดความยินดีในแนวที่จะเกิดกิเลส ในขณะเดียวกันก็ไม่เกิดยินได้คือไม่เกิดความชังหรือความไม่ชอบเป็นไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นถ้าต้องได้ต้องมีต้องเป็นแล้วจะเกิดอุปนักขัดข้องขึ้นมาโดยระการต่างๆแต่ว่าทำใจให้รู้สึกเฉยๆในการทำใจรู้สึกเฉยๆนั้นท่านสอนไว้หลายวิธีด้วยกัน วิธีหนึ่งก็เอาสิ่งข้างนอกเป็นเกณฑ์หมายความมาเอารูปเสียงกลิ่นรสกฏอภาระนั้นเป็นเกณฑ์รูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสสัมผัสก็สักสักแต่ว่าสัมผัสธรรมารมก็สักแต่ว่าธรรมารมไม่ปรุงต่อไปในกรณีที่จะเกิดกิเลส บางทีก็ประสาทสัมผัสภายในเราเป็นเกณฑ์เเห็นก็สั์แต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้ทราบก็สั์แต่ว่าทราบไปรู้ก็สั์แต่ว่ารู้ปรอยให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไปแต่ว่าปัญญาเป็นเครื่องรู้นั้นได้บังเกิดขึ้นแล้วได้เก็บซึมซั์สิ่งเหล่านั้นไว้แล้วเกียงแต่ว่าท่านควบคุมไม่ให้เกิดความยินดียินได้เท่านั้น ข้อนี้พึงสังเกตพระผู้มีพระภาคเจ้าเรานั้นทรงประกอบตัวเบขาเป็นอย่างจริงในกรณีที่มีคนมาด่าว่าตำหนิติเตียนพระองค์ด้วยประการต่างๆหลวงไม่มีความยินดียินไล่ในเรื่องเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าได้ยินการประพฤติการกระทําของพระภิกษุสามเณรที่ไม่เหมาะสมจช่นว่าจับกลุ่มส่งเสียงดังกัน ก็จะรับสั่งถามว่าใครส่งเสียงดังอย่างชาวประมงแย่งปลากันแล้วก็จะรับสั่งเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนให้อวาตห้ามปรามด้วยประการต่างๆนั่นก็แสดงว่าความวางเฉยนั้นไม่ได้หมายถึงว่าไม่รับรู้อะไรแต่การวางเฉยต่ออารมณ์ที่จะกระตุ้นเตือนให้เกิดกิเลสเท่านั้นแต่ในกรณีที่จะเป็นธรรมะท่านก็สอนให้ มีปัญญาเป็นเครื่องมือในการสรวจสอบในการพิจารณาแล้วก็ตัดสินที่ครอบไปตามสมควรแก่กรณีอาการเหล่านี้ที่จริงเราก็ทํากันได้ในชีวิตประจําวันต่ท่านผู้ฟังลองสังเกตว่าเรตืนเช้าขึ้นมานี่มีเรื่องเยอะที่ผ่านมาทางภาษาสัมผัสแต่เราก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้น ถ้าใครมาถามเราว่าเป็นใครบ้างเป็นอะไรบ้างเรื่องอย่างไรบ้างเนี่ยเราจะไม่รู้เแต่ว่า อ, าอุเบกขาอย่างนี้เป็นอุเบกขาที่ไม่รู้เขาเรียกว่าอุเบกขาโง่อุเบกขาจริงๆต้องรู้เท่าทันเร่งความจริงต่อสิ่งล่านั้นทิ่ท่นเรียกว่าเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้น แล้วก็ปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีของอารมณ์คราวนี้พึงดูตัวอย่างง่ายๆอุเบกขาในพรมิหารทั้งสีประการในพรมิหารทั้งสีประการนั้นแบ่งคนออกเป็นสี่ประเภทโดยพื้นฐานที่เรามองอย่างมีธรรมะอยู่ภายในใจคือกำกับใจ บุคคลประเภทที่หนึ่งคือคนสัตว์ทั่วไปคือทำยังไงให้มองเขาด้วยเมตตาปรารถนานดีต้องการการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประสุสะลายกันกับคนสัตว์เหล่านั้นอย่างน้อยที่สุดเราไม่ทําไม่พูดไม่คิดในเรื่องที่จะเป็นเวรเป็นภัยเป็นการเบียดเบียนการเบนปัสสาวะลายกันต่อบุคคลเราอื่น แล้วก็จิตไม่โน้มเอียงไปทางการมราคะคือความกำหนัดเบิ้อหน้าของความใคร่ในอารมณ์มันเป็นที่ใคร่และแม้แต่เรื่องระดับความรักที่เกี่ยวกับสามเพศก็บรนเทาการมาราคะลงไป ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเมตตานั้นมีลักษณะอภิบาลคืออบอุ้มพุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลช่วยเหลือเกือคูลกบุคคลอื่นแต่เวลาค่านั้นตอบสนองความต้องการของตัวเองมุ่งจะตอบสนองความต้องการของตัวเองเป็นประการสำคัญถ้ามีการตอบสนองตัวเองก็คขว่ควาาปรารถนาอยู่ดั้งไปถ้าไม่ยอมมีการตอบสนองก็จะเกิดโทสะ แต่เมตตาไม่ใช่อย่างนั้นเมตตามมื่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าบุคคลเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการจะเมตตาแต่ยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆว่าเหมือนกับพ่อแม่มีลูกมีลูกสี่คนลูกคนหนึ่งอยู่ในคันลูกคนหนึ่งกาลังป่วยลูกคนหนึ่งประสบความสาเร็จ หรือหายป่วยลูกคนหนึ่งไปทําผิดแล้วก็ติดคุกพ่อแม่จะต้องมีท่าทีความรู้สึกที่แตกต่างกันลูกที่อยู่ในคันนั้นก็มุ่งดีปราตนาดีให้เป็นดังนั้นให้เป็นอย่าง น, น, น, างนี้ตามที่เราต้องการแต่ว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวลูกเองไม่ใช่เป็นการเกื้อกูลต่อเราคือเกื้อกูลต่อตัวลูกเอง เป็นความสุขความเจริญความก้าวหน้าความสเสน่ห์ความสวยงามของลูกเองลูกคนที่ป่วยพ่อแม่ไปจะเกิดความกรุณามีความสงสารต้องการที่จะขจัดโรคซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เบียดเบียนลูกอยู่ให้หมดไปสิ้นไปถ้าขาจัดแล้วลูกหายป่วยพ่อแม่ก็จะมุติตาคือชื่นชมบินดี รักษาไปแล้วลูกไม่ยอมหายคือตายไปเลยก็ต้องทําใจเป็นอุเบกขาแต่อุเบกขาระดับนี้เป็นอุเบกขาเขาเรียกระดับวิปัสสนุเบกขาอุเบกข า, าที่เกิดขึ้นจากมองเห็นว่ามันเป็นคติธรรมดาของชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเด็กคนมาก่อนไปก่อนคนมาก่อนไปหลังคนมาหลังไปก่อนคนมาหลังไปหลังมันก็ต้องไปทั้งนั้น เป็นคติธรรมดาของชีวิตเพราะแนวของมุติตาแนวของกรุณานั้นถึงสังเกตว่าเวลาเขาเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มุ่งไปในทางเบียดเบียนคือไม่ได้มุ่งไปในทางที่จะลูกป่วยหนักมากยิ่งขึ้นแต่มุ่งที่จะให้ลูกนั้นหายหจะโครคได้เร็วๆคือแสดงว่าไม่มีวิหิงสาอยู่ภายในใจ แต่มีกรุณาในขณะเดียวกันเนี่ยเพราะว่าการุณาบางทีบางคราเป็นความโศกได้จึนว่าเราต้องการให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นขึ้นมาแล้วไม่เกิดตามที่เราต้องการเราเกิดความโศกได้ใจก็ต้องวิ่งไปหาเบกขาคือต้องไม่สุขก็ถือว่าเป็นธรรมดาคนเราป่วยมาแล้วไม่หายก็ตาย มันไม่มีประตูที่สาไม่เลือกไม่หายก็ตายตอนนั้นเด่นผลใจก็ไม่เบี่ยงไปทางโสกแล้วก็ไม่เบี่ยงไปทางเบียดเบียนแต่จะอยู่ด้วยความกรุณาต่อบุคคลเ่าดันแต่การต่อไปมุติตาคือเกิดทื่นชมยินดีเมื่อลูกหายป่วยแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องบางเรื่องจะลูกได้ลาบได้ยศได้สันเสริญ ก็ไม่ต้องการจะมีส่วนแบ่งอะไรในตัวของลูกแต่การได้ของลูกนั้นเป็นความสุขใจของพ่อแม่แนี่เป็นอาการของมุทิตาจิตคือพอยชื่นชมยินดีในการได้ดีของลูกแล้วพอถึงจุดหนึ่งเมื่อศัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมของเขา จะเป็นรูปเราหรือว่ารูปคนอื่นหรือว่าคนที่เราเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามท่านก็สอนให้ทำใจเป็นอุเบกขาคือวางเฉยไม่แสดงความยินดียินไายต่อการประสบผลกรรมของบุคคลต่อกันเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของขุนตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมไปที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชัวว่วก็ตามจะต้องไปผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้ก็คือแนวของอุบเบกขาที่เราจะเห็นว่าใจมันมีปัญญาเข้ากากับยอมรับความจริงของสภาพแ่งชีวิตที่มันเป็นอย่างนั้นเอง ที่ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้อีกระดับหนึ่งเ็เรียกว่าอัปปมัญญุเบขาแปลว่าอุเบกคาในระดับอัปปมัญญาที่จริงมันก็อยู่อย่างเดียวกับพรมิหาร น, นั่นเองแต่ว่ามันขยายความรู้สึกไปไกลกว่า หมายความมาสเพสสตานั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเลยถือว่าสรรพชีวิตเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นปราตนานาการไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสร้ายกันเราปรารถนาเป็นอย่างนั้นให้เกิดขึ้นแก่คนทั่วๆไปเรารู้จักหรือไม่รู้จักไม่เกี่ยวอะไรแต่ใจมันแผ่ไปโดยไม่มีประมาณ ไม่ได้กำหนดว่ากลุ่มคนนั้นบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ทิศนั้นทิศนี้ไม่ได้กําหนดแต่ตั้งใจแผ่ไปโดยไม่มีประมาณเป็นการทําพูดง่ายแต่ว่าทํายากเพราะว่าตามปกติแล้วคนเราจะมีความรู้สึกยินดีหรือยินไรในบุคคลบางพวกบางหมู่บางกลุม่มบางทิศบางเราอยู่ พอบทจะแผ่ไปในทิศบางทิศนี่ยมันเกิดทำไม่ได้เพราะนี้ลองสังเกตว่าบางทีเช่นเราไปแจกของแก่สาธารณชนแจกมาได้เป็นการดีไม่มีปัญหาอะไรพอดีมีคนคนหนึ่งที่เราไม่ชอบเดินเข้ามารับของแจกด้วยเราเกิดความรำคาญทันทีเลย เมื่อก่อนเกิดกรุณาอยู่ดีๆต่อมาเกิดความรำคาญนั้นเดียวแสดงว่าใจมันสะดุดกรุณามันเดินไปไม่ได้ตอนนั้นถ้าทําเป็นอุเบกขามันก็แจกได้โดยเฉยๆมันเรื่องส่วนตัวเรื่องการไม่ชอบใจกันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่การแจกของก็เป็นเรื่องของการแจกของคนละเรื่องนัแต่บางทีก็ทําใจได้บางทีก็ทําใจไม่ได้ ตำแนวอัปมัญญาเนี่ยท่านจึงไม่ค่อยสอนให้แผ่เท่าไหร่หาแต่แผ่ที่อุเบกที่พรหมิหารได้ก่อนพอ ท, ทำระดับพรหมมิหารได้แล้วก็อัปมัญญาเข้าไปได้ในกรณีของการุณานั้นโดยเนพาะข่าวคราวต่างๆมันน่าสลดทตกูเส่นข่าววัติเหตุนักเรียนถูกรถชนตายตีทั้งสิบกับศบ เราวังแล้วเราก็สลดแต่ว่าเป็นเรื่องนอกวิสัยเพราะว่าคนก็ตายไปแล้วเราก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะไปทำอะไรได้ในกรณีเช่นเนี้ยท่านสอนให้ทำใจเป็ น, ปนอุเบกขาปว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของเขาขั้นตอนการปรงให้ตกในตามกทของกรรมในกรณีที่ควรแก่การปรงให้ตก ไม่ได้หมายความว่าปรงไปเรื่อยนะฮะคือว่าบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องต้องปรงเรื่องจะต้องแก้ไขเรื่องปรงให้ตกนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของทุกข์พูดง่ายๆว่าผลที่มาจากกิเลสกิเลสเป็นเหตุทุกข์เป็นผลตันี้มันจําเป็นจะต้องปรงให้ตกแต่ปรงให้แต่ปรงไม่ตกไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกัน เช่นว่าความแก่เจ็บตายอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่จะต้องปรองให้จบเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราเกิดมาก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วทุกคนเขาก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะเราก็ต้องทําใจยอมรับความจริงว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ร่วมพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอกคนอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้คนแต่ก่อนก็เป็นอย่างนี้คนต่อไปก็เป็นอย่างนี้ คนเดียวนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะผ่านพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ปัญญาบางคือรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเข้าถึงคติธรรมดาที่เรียกว่าใจมันเข้าไปสงบระงับในสัตว์แต่สังขารทั้งหลายได้ได้อย่างในบทที่พระสวดเขาเรียกคาถาหมาบางสกุล วาณิจ่าวัตสังคาราสังขา ร, าขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปดวญยาธรรมโนโมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิตตาวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสมโอสุขโขการทําจิตให้สงบระงับในสัตว์ในสังขารทั้งหลายเสด็จได้ก็จะเป็นความสุขนี้ก็เป็นอุเบกขาระดับอัปปมัญญา เพราเราจะเห็นว่าข่าวคราวต่างๆในต่างประเทศซึ่งมันไกลตัวเราเหลือเกินมีคนเป็นทุกข์เป็นสุขกันถ้าเป็นทุกข์เราอนุโมทนาถ้าเป็นสุ ข, ขเราอนุโมทนาก็ได้ถ้าเป็นทุกข์เราก็เกิดสงสารก็ได้อย่างน้อยก็ทําใจให้เกิดกรุณาให้เกิดสงสารเขาเพราะเราจะไปช่วยเหลืออะไรก็คงไปช่วยไม่ได้ หรือไปแสดงเมื่อที่ตาจิตอะไรก็เขาก็แสดงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันการประสบความที่บาดเดือดร้อนของสัตว์ในที่ต่างๆเป็นอันมากประสบสาธารณภัยเดือดร้อนการบาดเจ็บล้มตายกันถูกภูเขาไฟถล่มตายถูกพายุพัดพาตายถูกบ้านเรือนถล่มอะไรต่ออะไรต่างๆแผ่นดินไหวเครื่องบินตกเราก็ได้ยินแล้วเราก็สลดใจ รู้สึกสงสารเขาแต่ว่าทําไม่ได้มันทําไม่ได้ก็ทําใจเป็นกลางที่จะเก็บมากรุบมาทุกข์มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาพอทุกข์ยังไงเราก็แก้ไขไม่ได้ความอุเบกขาระดับโคดชังผู้เบกขาอุเบกขาระดับโคดทรงนั้นเป็นการมองที่ธรรมะปฏิบัติแล้ว เราจะต้องมองว่าจิตมันเดินมาโดยลําดับมีสติมีการวิจัยสอดส่องธรรมะมีความเพียรมีปีติมีปัสสถิปัสสถิคือสงบกายสงบใจและมีสมาธิก็คือใจสงบถึงแน่นอนกายก็สงบไปแล้วใจก็สงบตามไป อุเบกขาในที่นี้จึงเป็นการวางเฉยในธรรมทั้งหลายแบบประคับระคองธรรมะธรรมะที่จะต้องประคับประคองให้คือหลังจากเราปรับธรรมะให้สม่ำเสมอกันแล้วมันเป็นทํานองใล้ๆกับคนที่ขับรถ รถมันตรงดีแล้วก็ถือโบกอะไรขยับนิดไม่ต้องขยับมากอะไรเท่าไรก็ไปได้ก็บรรทัดมันตรงดีแล้วจิตใจของคนเราก็เหมือนกันตามปกติแล้วมันจะหนักไปในด้านใดด้านหนึ่งท่านเรียกว่ามันยิ่งมันย้อนบางอย่างก็มากไปบางอย่างก็น้อยไปแล้วมันเกิดเป็นปัญหาในภาคของการปฏิบัติ ท่านก็สอนให้ปรับสภาพของธรรมะสีข้อเ ร, เรียกว่าอินซีห้าอินซีนั้นแปลว่าความเป็นใหญ่ข้อแรกก็คือสัตทินซีอินซีคือศรัทธาความเชื่อได้แก่ความเชื่ออันอย่างลงมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ในใจสิกขา เลยจนสามารถขจัดอสัตย์ยะคือความไม่เชื่อได้ขจัดความเครือบแพลงสงสัยเอาไปได้ขจัดความโลภคือจิตที่่อยคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองได้จนถึงก็สงบแม้จะโทรศัได้ ศรัทานั้นถ้าหากว่ากำมังเขาอ่อนเนี่ยเขาจะงมงายเขาจะเชื่ออะไรได้ง่ายเขาเรียกว่าศรัทธาจะดิตเขตื่นตูมตื่นเ ต, น ต, นต้นตื่นตามกันไปเป็นอาการศรัทธาจะดิตเขาว่าอะไรก็เชื่อหมดโดยไม่ได้คิดตัวเหตุด้วยผลนั่นแหละราจะต้องปรับศรัทธาขึ้นมาให้อยู่กับปัญญาคือปัญญาจะต้องเข้ากำกับศรัทธาไม่ให้ ศรัทธานั้นหย่อนเกินไปหรือตึงเกินไปถ้าหย่อนเกินไปมันก็ใช้งานไม่ได้ศรัทธาที่น้อยเกินไปมันก็ใช้งานไม่ได้ไม่สามารถขจัดแม้แต่ความไม่เชื่อออกไปได้ไม่สามารถขจัดความเพ่อแลรงสงสัยได้ถ้าแตงศรัทธามันหย่อนเกินไปทีนี้ถ้าศรัทธามันตึงเกินไปก็จะปักใจฝังใจเชื่อมัน แล้วก็ยากที่จะคลายได้โดยเห็นว่าลัทธิปฏิบัติเป็นอันมากที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาแลแดีวก่อนพุทธกาลเราดูแล้วว่าไม่น่าเชื่อว่ามันอยู่ได้แมในปัจจุบันไม่มีเหตุมีผลอะไรแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเขาก็ไม่แสดงความสําเร็จอะไรให้ปรากฏแต่ก็มีคนรุ่นหลังสืบทอดกันมาได้เรื่อย นั่นแสดงให้เห็นเรื่องพลังของศรัท ธ, ธาที่มันหมกมุ่นอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งปักใจฝังใจอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วกลายเป็นอุปาทานคือยึดติดว่าเรื่องนี้ต้องทําอย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้เดีย๋ยวต้องเดือดร้อนเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นานจึงสอนให้ปรับศรัท ธ, ธานี่ให้สม่ําเสมอกับปัญญา ปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงรู้กระบวนการเกิดดับของสังขารทั้งหลายกู้เหตุปัจจัยของความเป็นสัตว์เป็นสังขารทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายแต้หลวงโปโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงดงามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ ว, ว ก, กันสวัสดี